สิกขาบทที่10ภิกษุณีผู้ให้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่บุคคลที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําำลังให้แลกเปลี่ยนต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. ให้แลกเปลี่ยนแล้ว น้องนิสสักเคียปาจิตตี